เราจึงมาโดนแบบนั้นถึงเราไม่ปรานามันก่อได้รับผลคนอื่นที่เขามีกรรมดีสร้างเอาไว้เข้าไปด้ดยกันเพราะไรโดนเหมือนกันกับเรามันผิดกันเพราะกรรมดีรักษาเขาเราจึงควรเชื่อกรรมเชื่อกรรมจนถึงใจเมื่อเชื่อกรรมถึงใจก็จะมีฮิริอุดตัะ กลัวบาปไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดจะทำจะพูดจะคิดไปในทางชั่วทางเสียเรียกภาษาพระภาษาวัดเรียกว่าบาปกลัวในจิตในใจเกลงบาปกลัวบาปและอายบาปไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันจะให้ผลเก่ตนทองตนเลิกละความชั่วประกอบกรรมดี ให้มีขึ้นในตัวเหงาเราที่จิจารณาอย่างนี้เชื่อเรื่องข้องกรรมถึงใจแล้วเราจะเลือกคาดจัดหาทํากรรมดีให้เกิดมีแก่กายบายาจใจข้องตัวถ้าเราไม่คิดพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงอยากทําอะไรก็ทําไปตามอาเภอใจไม่ทราบว่าดีชส่ย อย่างไรจะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้คำนึงคำนวณขอแต่ให้มันชอบมันอยากทำทำไปมันเป็นไปทำนองนั้นท่านจึงสอนให้เชื่อนเรื่องของกรรมอ่่เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผุ้ให้ผลสุขทุกข์จะเกิดขึ้นก่ออาศัยผลของกรรมไม่ใช่ว่า คนทุกคนไม่ปรารถนาดีปรารถนาดีกันทุกคนแต่ทําไมจึงอยากจนอดอยากลําบากลําคาลโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเขาเขาอยากเป็นโรภคภัยไข้เจ็บไหมเขาอยากอดอยากยากจนไหมไม่มีใครไปถามเขาก็อนเาจะต้องสอบว่าอยากจะมั่งมีสิสุอยากจะหาจะโรภคภัยไข้เจ็บทางนั้นแต่เหตุ รายใหญเล่าเขาจึงเป็นอย่างนั้นกเพราะกรรมเก่าที่เขาสะสมเอาไว้ให้ผลเขาจึงเลยทนทุกข์เรื่อยไปเพราะกรรมยังไม่หมดไม่สิ้นจากใจของเขาเขาจะต้องรับผลถึงเป็นพระอรหันต์อรหันต์กิ่นอาสวะชิเลตภายในกรรมเก่าที่่านสางเอาไว้ให้ผล ก็ยังโดนทุกโดนโทษอย่างถ้าหมคนลามีโจรปนขาดีจนแหลกจนตายภาษาของเราหรืพระภาาัยยะก็เป็นพระอาหารหันต์เกี่ยวไปสแสวงหาบริฐารมาบวชก็ถูกวัวผิดตายน่ตายหงายตายหายัางนี้เป็นธรรมดาเพราะกรรมเก่าที่สร้างมาให้ผล กรรมจริงเป็นสิหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะมีกายอยู่นอกจากกรรมนั้นจะไล่ามาไม่ทัแเราสร้างเอาไว้เราตายไปก่อนเสียก็เลยเป็นอโหสิกรรมเพราะใจบริสุทธิ์แล้วกรรมจะติดตามไม่เหตุผลเป็นอีกไม่ได้พบชาติที่เราจะก่อเกิดไม่มีนี่คือจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเราจะบริสุทธิ์อย่างนั้น ยังมีจีเลียยตัญหามานัทิทิในใจจะต้องท่องเที่ยวเรียนบายใยเกิดเราจะต้องที่นี้ที่จ้าละกรรมชั่วต่างกรรมดีให้มีในจิตในใจของตัวเพราะกรรมดีนั้นให้ผลปัจจุบันก็ให้ผลตนของตนมีความสุขทำไปแล้วคิดปบบผู้รู้ทั่วไปเขาจะไม่ตํานิไม่นินทา เราทําลงไปเดือดความรอบครอบเดือดสติเดือดปัญญาโอเคเราทําลงไปเดือดความเงาเงาเต่าตุ่นของเราเราเดือดทิฏเกนาแล้วเราจึงทําลงไปไม่ว่าทําอะไรพูดอะไรเราจึงเนรตําหนิตัวของเราว่าทําไมจะทําอย่างนั้นพูดแบบนั้นได้ขาดสติปัญญา ขาดการยับยัง้งสั่งตวงหาดการที่นีี่ทิพจน์นะเราไม่ตำหนิตัวของเราพอเราทำหรือความหลอกผอบของเราตัว ข, ของเราก็ไม่มีที่ตำหนิคนอื่นเขาไม่มีที่ตำหนิเว้นแต่คนพาลเต็มที่มันไม่ทราบอะไรดีชั่วเหมือนกับหมาไม่ว่าพระว่าวเนีนบ่าโจนบ่าวมาเนีมันก็เห่าเรื่อยไปไอป้ปากแบบนั้นเราจะถือเป็น สติมีนิดไม่ได้มันเนี่ยพอใจอะไรมันก็เหา่าเรื่อยไฟว่าเรื่อยไฟแต่ความดีของเราสี่สั่งมาแต่ทํามาเราทํามาในทางดีตัวพวกเราก็ทราบพาเราสั่งความดีคนอื่นที่เขามีจิตใจสูงเขาก็าสรรเสริญในความดีที่เราสั่งมาถึงเขาไหมสรรเสริญความดีมีอยู่ใน ใ, นใจ เขาจะว่าอะไรแล้วก็ไม่เก็บแสกเพราะความดีมันมีอยู่ถากรอบขอบทางสติปัญญาเหมือนกันกับเขาบว่าเราทุกอยากอวดยากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่เราก็สราบดีระบ้านช่องของเรามีเข่าของของเรามีเงินทองของเรามีคนจิดเข้ามาว่าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าเรามีอะไรเขาก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเราจะไป เต็นไปตามเองปากของเขามันเต็นไปไม่ได้ถ้าหกเรามีสติปัญญาพอชี้จะอย่างจิตนึกคิดไม่โกรธกับเขาได้มีการพิจารณาเรื่องของกรรมคือกรรมเป็นของของตงนกรรมเป็นผู้หผให้ผลให้ผลแก่เรามาทุกคนคนที่มีความสุขความสาบายมีห น, น้าตา <c oughs> เฉจๆงดงามก็พรกรรมดีที่เขาสร้างเอาไว้มีหน้าตาเป็นดักรเป็นมานไม่เฉยๆงดงามอะไรใครเห็นก็เหนป่านก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้อดยาขยาจนก็พราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้เขาลำรวยก็พเขาสร้างกรรมดีเอาไว้ถึงมนุษย์เกิดมาจะเหมือนเทวบุตรเทวดา ไม่ติดกินของคิดป่าถนาอะไรไม่ไหลมาไม่ต้องแสวงหาพอเป็นเทว ด, ดาอาศัยบินกรรมที่ทําแต่เก่าก่อนส่งผลให้ก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์คนทุกคนกับป่าถนาอยากจะมีเข่าของเงินทองอยากจะมีความสุขความเจริญด้วยกันแต่อํำนาคดินกรรมของ ม, มนุษย์กับเทว ด, ดานะั้นไม่เหมือนกัน ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมดีของเขาก็ส่งผลให้คือด่านกายของเขาก็ไม่มีคอยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเด่งด่านใจของเขาคือมีสติมีปัญญาสามารถที่จะทําการงานแสวงหาขอขอเงินทองได้ง่ายได้สะดวกสบายคนที่กํามเชื่วให้ผลล่ะเกิดมา ไหลทรัพยอับปัญญาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดจะอ่านก็ไม่มีเหยียดค้านจะทำอะไรก็ทาไม่เป็นทั้งนั้นโอนยายาจนจนกระทั่งวันตายนี่คือกรรมชั่วตามให้ผลแก่ตัวเขาเราจรึงควรเว้นกรรมชั่วให้ห่างใจอย่าไปคิดไปทำไปพูดในทางชั่วทางเสีย ถ้าเรารักษาตัวพวกเราได้อย่างนั้นเราเรียนายใตใยเกิดในวัฏฏะสงสารไปเกิดสถานที่ใดก็มีความสุขในภพในชาตินั้นตามสมควรกีจกรรมจะให้ผลเรามีกรรมเป็นของตอนมีกรรมเป็นผัวให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่ใช่ว่าเราอยากจะเกิดที่ไหนได้เกิดได้สะดวกสบาย กรรมเท่านั้นจะแดงฟันให้ได้เกิดเกิดในสถานที่ดีคติที่ชอบข้ อ, ขอพ่อกรรมดีของเขาส่งผลไปให้จึงได้เกิดได้เกิดในที่เชื่อยที่ใน <c oughs> สะดวกสบายก็ททา น, นองเดียวกันฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะนำมาพิจารณาในะสอนใจของเราไม่อย่างนั้น ก็จะไม่เห็นเรื่องการทำการพูกการคิดเป็นของสาคัญไม่เชื่อเรื่องของกรรมทำไปแล้วไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้นให้โดยส่วนใหญ่คนที่ในคิดถึงเรื่องของกรรมนี้ไม่เชื่อเรื่องของกรรมไม่เชื่อว่าตายแล้วจะได้เกิดอีกตายแล้วถี่นงไปหรือจะเกิดเป็นอย่างไรจะเกิดอย่างนั้น มันมีมาแต่งแสีสมัยพระพุทธเ จ, จ้ายังมีอยู่ปัญหาอันนี้มันมีประจำสัตว์เป็นบางประเทศบางตัวหรือคนก็เป็นบางขณะที่มันเกิดขึ้นความสงสัยลังเลห้งใจมันเกิดขึ้นแบบนั้นถ้าเราคิดว่าตายไปแล้วศูนย์ทำดีก็ไม่มีผลอะไรทำชั่วก็ไม่มีผลอะไรถ้าคนเชื่อ มันลงไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าอุเสตทิฏฐิคือปฏิเสธเรื่องทั่วไปทางมันเป็นในใจอย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีความสุขความเจริญมันอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะตายแล้วศูนย์ไม่มีการเกิดถ้ามันคิดอย่างนั้นมันก็ฆ่าก็ฟันก็ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไมละอา ย, ยใครไม่กลัวเรื่องข้องกรรมกลัวแต่กฎหมายเจ้านายจะจับกลุมเท่านั้นลับตามันทําไปได้หรือเจ้านายจับกลุมหรือเขาข่าตายมันโกคิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วศูนไปมันคิดอย่างนั้นมันจึงกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยไปหรือเชื่อมั่นว่าตายเป็นอะไรก็จะไปเกิดเป็นอันนั้นมันกก กลาอีกเหมือนกันเชื่อเสียขนาดไหนมันไม่เกรงใจพอมันเชื่อมั่นในจิตในใจของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นไป ต, ตามความเชื่อของตัวถ้ามันเจนงใจ ต, ตามความเชื่อของตัวมันก็ไม่มีใครที่จะได้รับทุกโทษลำบากอยากเย็นจะทำชั่ว ผลเชื่อมันผลทำดีผลดีใหม่ผลอยากทําอะไรทํำเลยไปโลกแตกอยู่ในวัดในวาจะข่าวจะแจ้งกันเมื่อไรจะทําอะไรก็ทําไปอยู่ในโลกก็ทําทนองเดียวกันในเครารพเชื่อมันในอัดในทำขาทิฐิแรงกล้าลงไปแบบนั้นพระพุทธเจ้าทันว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นโทษหนักสําหรับคนที่เห็นแบบนั้น ไม่มีวันคืนที่จะสบ่างสวัยที่จะประสบความสุขของใจมีแต่มึมดบอดเลื่อยไปพระพุทธเจ้าจะมาแนะสอนเหมือนองค์แสนองค์มันก็ไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจของมันถ้าจิตใจหมึดหนาะขนาดนั้นแล้วพระพุทธเ จ, จ้าท่านตัดสภาพไม่แนะสอนใจของพวกเราท่านเป็นอย่างไรขอพิจารณาเผื่อสำลัก ใจคงตัวความจริงหนีความจริงไปไม่ได้เรื่องยิตใจของพวกเราเองปัญญาของพวกเราเองมันสั้นมันไม่มียานพอจิตจะทราบทราบว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้จึงเลยอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าผู้รู้แนะนำให้พิจารณาสําระกายําระใจองตัว ถึงเราจะไม่เชื่อว่าไฟมันร้อนใครก็ห้ามเพามันร้อนนะเขาไม่เชื่อไปจับเข้ามันก็ร้อนเป็นธรรมชาติเขามันอยู่อย่างนั้นนัแข็งมันเย็นนะไม่เชื่อไปจับเข้ามันก็เย็นเพราะธรรมชาติมันเย็นมันเย็นอยู่เราไม่สมมุติว่ามันเย็นมันก็เย็นคนที่ไม่รู้หรือคนรู้มันก็ทำนองเดียวกัน เชื่ดีกับทำนองเดียวกันคนทําไปจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อก็าตามดียังเป็นดีอยู่ตลอดเวลาเชื่อยังเป็นเชื่ออยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปตามความไม่เชื่อหรือไม่หรือเชื่อของคนของจริงเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นนี่คือการนะชี้แจงนาช่วยแก้ไขจิต ใ, ใจของตัวเชื่อว่าพระพุทธเจ้าผ่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่านมีพยายามเด่นชัด เนี่ยสอนสัตว์เพื่อทางดีจริงที่ช่วทีเทสียกันทร์ตัดห้ามไม่ให้ทําให้ปวดให้คิดแต่เราไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถือว่าเราดีดีเจ็บเราก็ไม่มีทางที่จะละชัวว่วบำเพ็ญดีได้อยากทาอะไรก็ทําไปตามอำเภอใจ ว่าคนตายแล้วทางหากมันมาเกิดใหม่ต้อก็นคพูดให้เราฟังว่าชาติก่อนมันเกิดอยู่นั้นดีนี้มันมีสมบัติเจ้าของอย่างนั้นอย่างนี้คนเท่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเท่าเด็กตายก็จะเกิดมาเป็นเด็ก <c oughs> นี่ใครตายที่ไหนก็ไม่เห็นใครมาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตายไปแล้วเลยรับทุกโทษในนรกอย่างนั้นอย่างนี้เดยไป ส, สวยความดีในสวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่มีคน ม, มาเล่าให้ฟังเราจะไม่เชื่อมันอาจจะคิดจะปรุงไปแบบ น, นั้นคนที่ไม่เชื่อมันในเรื่องของกรรมแต่คนเราสัญญาอนิสกามันจําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหรอช้างช้างที่เราทําอยู่เห็นอยู่รู้ อ, อยู่แต่มันก็ลืมเรามานั่งอยู่นี่หายใจอยู่ ตลอดเวลาเราหายใจกี่ครั้งถามเท่านี้มันก็ปิดทรั้งครั้งที่เราหายใจอยู่วันนี้ได้พูดอะไรบ้างได้ไปที่ไหนคิดอะไรวันนี้วันศุน น, น, น, น, นี้เราได้พูดกับใครได้ทานอะไรเดือนก่อนนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้มันก็หลงท่านถ้ายังไม่ตายนะมันก็หลงเหู่อย่งนั้นลืมอย่างนั้ น, อ น, นพอสัญญาอ น, นิจจามีชาติทั้งชาติกี่ตายไปมาเกิดใหม่จะให้มันเล่าอะไรให้ฟังได้ พราะมันนานแสนนานผ่านมามันจิงจําไม่ได้แต่วความเย็นไายใจเกิดมันเยนแจ๊บใต้เกิดสุตีินีญ <c oughs> าณภายในสุตีินีใจของใสท่นสานทราบพบชาติที่เคยเกิดเคยตายของท่านเคยเกิดที่ไหนเคยตายอย่างไรเด็กโรคภัยอะไรท่นานทราบท่านจึงมาสอนให้ ว่าการที่เกิดดีเกิดชั่วนั้นเป็นไปเพราะกรรมของตัวถี่สร้างเอาไว้ไม่ใช่เรื่องของใจปรารถนาแล้วไปเกิดในสถานที่ดีกติที่งามได้ถ้าหากมันมีกรรมสนับสนุนแล้วมันเป็นไปไหนได้ท่านสอนท่านเนี้ยให้พวกเราได้สดับรับฟังได้ไใส่ใจคิดที่เจรณาอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่าน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พกับพุทธศาสน า, ศาจึงว่าเป็นทู้ที่มีโชคลาภ <c oughs> อันใหญ่หลวงสัตว์อืน่นที่มันไม่มีอำนาจาศาสนาเกิดมาไม่เคยได้ให้ทานรักษาชีวิจะเริ่มเหนดตาภาวนาะสวดวัดสวดอาวอายาสวดมนต์เลยก็มีมาททาในว่าตั้งแต่สัตว์มนุษย์บางจำพวกมันก็มีพวกที่เป็นมีขาจิติดในเลื่อมใส ใศรัทธาในทางศาสนาแล้วพวกเรานั้นเขาจะเป็นไปอย่างไรโฎกริกาที่เขาสร้างไว้แบบไหนเขาก็จะต้องเป็นไปแบบนั้นมีพวกเราท่านแลบว่าโชคดีเกิดมาเป็นสมาธิผิบิดามารดาเคยแน้สอนในทางดีพระเจ้าพระสงฆ์มีก็แนะนสอนให้เราก็ยังเรลื่อมใสจะททำบำเพ็ญตาม ทาเราก็เคยให้ศีนเราก็เคยรักษาภาวนาเราก็เคยแต่ทำบําเช่นเมื่อเราทําตามโอวาทําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, าสะสมเป็นงามความดีอย่างนี้ยังจะไม่เดีเ๋ยวไปเกิดในสถานที่ดีสติที่งามแล้วเขาเหล่านั้นที่ในสร้างสมอบรมทานศีลภาวนาอะไรเขาจะไปอย่างไรมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เมืดอบอกกันใหญ่ แต่ที่คิดแบบนี้ที่สอนแบบนี้ก็เพราะเรื่องจะปรับปรุงใจของเราเพราะจิตใจนั้นในคราวที่ควรพยุงขึ้นมาเฉดชูขึ้นมากว่าต้องพยุงขึ้นมาเฉดชูขึ้นมาเมื่อมันลืมเหนื่อลืมตัวเราจะข่มขี่มันก็ข่มขี่รักษาจิตของตัวด้วยสติด้วยสัญญาคือบางการบางเวลา มันตำหนิเตีวว่าเชื Bang, né, l ắc, l 8, ่อว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้เขาวัดขอว่าจำศีลภาวนาให้ทานก็ไม่มีอะไรดีทีเตียให้ไม่เห็นอะไรจะเป็นความอัศจรรย์ในใจมันอาจจะคิดไปบางทีท่านแล้วก็เคยหายศีลแล้วเราเคยรักษาภาวนาเราเคยจะทำบําเพ็ญเราดีเราดึงแล้วมันก็อาจคิดไปบาง การบางสมัยมันอาจคิดไปอย่างนั้นถ้ามันคิดไปว่าตัวดีตัวเด่นวิเลียนตัญหาในจิตในใจมันตกไปหมดแล้วหรือยังคนขี่ดีวิเศษยิ่งกว่าเราหนอยมีหรือวิมีแต่เราคนเดียวแถวนี้ดีวิเศษกว่าเขาในโลกคมคูให้รู้ตัวไม่ให้ประมาทให้การทําบ่มเพ็นคุณงามความดีเรื่อยไปจน หาใจของตัวบริสุทธิ์ถ้าเราตั้มหนิตัวหรือเราเสือเราเสีย อ, อย่างนั้นกับพายุมันขึ้นมาเหมือนกันกับเขาทำถน น, น่ะจีนไหนมันต่ําเขาก็่าขูนขึ้นให้มันสูงที่ไหนมันสื่อเขาก็ขุดลงให้มันต่ําพอรถเรือไปได้ในอย่างนั้นมันเกาะในสม่ําเสมอไปอยาก เรื่องจิตใจของเราก็เวลาข่มขีก็ต้องข่มขีได้ลาพยุงมันก็พยุงมันนี่คืออุบายจิตพวกเราท่านจะนํามาสอนใจของตัวเมื่อมันต่ําพ็พยุงมันขึ้นมาเมื่อมันสูงก็ข่มขีมันลงไปเพื่อจะให้ใจมันสม่ําเสมอทื่เราทุกคนทีนท่เจนานเพื่แก่เจ็บตายและกรรมเป็นของของตน สม่ำเสมอไปใจที่เคยของสิบคิดเพ่งต่างๆจะไม่เลยขอบเขตใจคนนั้นจะสุขจะสบายใจคนนั้นจะไม่วุ่นวายกังวลเพราะพิจาราตามอาัดตามธรรมที่พระพุทธเจ้ า, าแนะนำสั่งสอนธรรมะเป็นเครื่องปลอบใจชำระใจให้ใสสะอาดให้สุขให้สงบ คนไม่มีธรรมะไม่เดทพิเจนาเกิดเจ็บเจ็บตายมีแต่เพลิเพลินวุ่นวา ย, ย, ายไปตามกิเลสตัณหาคนนั้นไม่มีวันเวลาที่จะสงบสุขได้มีแต่เจ้าวุ่นวายอยู่เดื่อยไปแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่มาฝึกฝนอบรมภาวานาชาระใจใตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งก็หมั่นที่นีพพิเจนาชาระ ดูภายในอยู่สม่ำเสมอไปว่ามันคิดอยู่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่นำความดีหรือความชั่วมาให้มีสติ <c oughs> รู้สึกการนึกคิดของตัวมีปัญญาแนะสอนตัวเหนื่อคนใดมันสอบสืบที่นี้พิจนารณารักษาใจของตัวอย่างนั้นจิ่งที่ชั่ว มันนํำรกษาสางออกไปสิ่ทงที่ดีก่อกลัวก็ทำอมเทียนเอาไว้คนนั้นก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมเหีนน่าพอสองควรเฉยเวลาเพราะยุคเพียงแค่นี้น